มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้ <c oughs> ก็กลายจากแผ่นดินใวแผ่นดินใหญ่พอสมควรมีสิงสารสัตว์นานาชนิกตัะยกเว้นก็พวกสัตว์ใหญ่เช่นช้างหรือว่าแรดมีคนเขาเดินเรือไป ถึงเมื่อสักสองร้อยปีก่อนปรากยว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่กลัวคนเลยยอมให้คนเดินเข้าไปใ ก, ใกล้ๆหรือแม้กระทั่งอยู่ข้างหลัง ม, มันก็เฉยอย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะซึ่งมัน มันมีสัญชาติยาณแล้วแวงไัยอย่างที่เราเคยได้ยินแต่ว่าส ก, กิ่งจอวในเกาะ น, น, นั้นเนี่ยมันไม่สนคนเลยคนเดินเข้าไปใกล้ลูกหัวมันตีหัวมันก็ยังได้อันนี้มันเป็นพังพิเศษหรือเปล่านะมันก็ไม่ใช่พังพิเศษแต่ที่มัน ไม่กลัวคนให้คนอยู่เข้าใกล้หรือว่าแตะตัวมันได้เพราะว่ามันไม่เคยเจอมนุษย์เกาะที่ว่านี่คือเกาะกระประกอสยังซึ่งมีชื่อมาดังเพราะชาวดาวินเขาไปไปเจอเข้าแล้วเขาก็บันทึกว่าสัตว์เหล่านี้มันไม่กลัวคนเพราะว่ามันไม่รู้จักคน เพไม่เคยมีคนขึ้นไปบนเกาะนั้นเลยถ้ามีคนขึ้นไปบนเกาะนั้นเนี่ยนะถ้าผ่านไปสักปีสองปีเนี่ยมันคงจะกลัวคนมากเลยนะเพราะว่าคนก็คงจะยิงมันฆ่ามันเป็นอาหารแต่ไม่เคยเจอคนมันก็เลยไม่กลัว นี่ก็พบเขาก็ศึกษารต่อไปนะว่าอย่างทุยในอเมริกาใต้หรือทุยยุโรปอทุย อ, อเมริกาเหนือเนี่ยเขาพบ ว, ว่ามันมีสัตว์ใหญ่ที่สูญพันธุ์เป็นจำนวนมากสัตว์ตัวใหญ่ๆนั่นเลยนะใหญ่นี่หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่พวกเสือเนี่ยเสือสมัยโน้นนี่มันก็ตัวใหญ่จริงนะ ในโลกนี้มีสัตว์ใหญ่ๆเพแบบเสือไอ้แบบช้างนี่เยอะมากจริงโจ้สูงเจ็ดฟุตเนี่ยสูงกว่าคนตัวหมีหมีบางตัวนี่สูงตั้งห้าหกเมตรสูงสูงจริงแล้วก็สงสัย ม, มันหายไปไหนมันหายไปจากโลกเยอะแยะหมดนะ หดือายในแถวที่ อ, อเมริกาใต้อเมริกาเหนือและพบ ว, ว่ามันพึ่งสูญหายไปเมื่อหมื่นหรือหมื่นห้าพันปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะเมื่อเทียบกับระยะเวลาของสัตว์ที่มันอยู่เริ่มถือกำเนิดขึ้นมาในโลกเนะี่ยว่าสองหรือสามพันล้านปีมาแล้วสุดท้ายก็พบ ว, ว่า การที่มันสูญพันธุ์นี่เพราะฝี ม, มือมนุษย์นะมนุษย์ไล่ล่าข้างและสิ่งที่เขาพบน่าสนใจคือว่าทวีปที่คนอาศัยอยู่ น, น, นานๆเนี่ยมีคนอยู่ น, น, นานๆเนี่ยคือเป็นล้านปีเนี่ยสัตว์ใหญ่จะสูญพันธุ์น้อยแต่ทวีปที่ไม่ค่อยมีคนหรือคนเพิ่งเข้าไป เข้าไปบุกเบิกเข้าไปอพยพเข้าไปอยู่เงี้ยเช่นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ซึ่งเพิ่งพบว่ามีคนเข้าไปอยู่ก็ประมาณหมื่นหรือหม0 0น 5, ปี ท, ที่ที่แล้วนี่ที่เวลานี้มีสัตว์ถูกฆ่าเป็นจำนวนมากจนศ00ยมากมายกว่าทวีปอื่นมันก็น่าคิดนะทำไมที่อเมริกาเนี่ยซึ่งคนอยู่มานานนะเป็นล้านปี สัตว์ศูนพันไม่มากแต่ว่าทวีปที่คนเพิ่งเข้าไปอยู่นะแค่หมื่นปีสัตว์มัูนพันเรียกว่าเยอะแยะหมดเจ็ดิปสิเปอร์เซนที่เป็นสัตว์ใหญ่หายหมดเพราะเพราะใส่ใจคือว่าสัตว์เหล่านี้มันไม่ค่อยมันไม่รู้จักคนมันอยู่มานานจนต้องไม่รู้จักคนพอเจอคนเข้าไป อยู่ที่นั่นมันก็ไม่กลัวมันอย่างเช่นพวกสัตว์ใหญ่ใหญเ่เห็นคนมันก็อาจจะรู้สึกเป็นสัตว์แปลกหน้ามันก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่าหายของมันและมันก็ไม่เคยเจอมนุษย์ที่จะมาคุกคามมันแล้วมันก็เลยถูกสัตว์แล้วนั้นนี่ถูกคนสังหารเป็นวาเล่น ทังที่มีเป็นจำนวนมากอย่างควายควายใบสันนี่มันใหญ่ตัวใหญ่มากอยู่ว่าเป็นล้านก็ตายตายแบบศูนย์พันไปเลยนะเกือบศูนย์พันอะเชือฟริการนี่คนอยู่อาศัยอยู่ท่านันเป็ น, เ ป, นเป็นล้านปีเนี่ยสัตว์ในทวีป น, น, นั้นเนี่ยมันก็เจอคนบ่อยมันก็เจอฤทธิ์เดชของคนมันก็ เรียนรู้นะเรียนรู้ในการที่จะเอาตัวรอดเจอคนเข้ามาใกล้ๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆมันก็หนีแล้วเพราะว่ามันมันเจอประสบการณ์มาจากการที่คนไปยิงไปแทงสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่มีปืนนะก็มีแค่แค่หอกธนูนะ หรววงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายวงยวงหว่างคนสักสี่ห้าเมตรนี่ก็ปลอดภัยนะพอคนเข้ามาใกล้มันก็หนี mm hmm. ไม่ว่ากวางไม่ว่าเสือหนีหมดนะเพ่นแต่ว่าถ้ามันอยู่กันเป็นกลุ่มมันก็สามารถจะไล่ล่าคนได้ สัตว์ที่มันอยู่คนนานๆมันเจอคนนานๆ น, น, นี่มันก็มีความสามารถในการเอาตัวรอดอย่างน้อยก็มีความกลัวมีความระแวงระวังแล้วมันก็เลยอยู่ได้โดยที่ไม่สูญพันธุ์ทั้งที่อยู่กันมานานนะแต่ว่าก็อยู่ได้เอาตัวรอดได้เพราะว่าได้เรียนรู้ว่ามนุษย์นี่มัน อันตรายแล้วก็รู้ว่าจะหลบจริมันได้ยังไงมันเป็นบทเรียนที่สืบทอดกันรุ่นแล้วรุ่นเรานะจงถ้ามันฝังอยู่ในยีนเลยนะตรงข้างกับสัตว์ใหญ่ในที่อเมริกันอเมริกาใต้มันมันอยู่กันมาเป็นสิบสิบล้านปีไม่เคยเจอคนเลยพอเจอคนเข้าแค่ แค่หมื่นปีที่ผ่านมามันก็ทยอยตายกันไปเรื่อยๆยโดนฆ่าโดนแทงโดนชมวกโดนหอกล้มตายกันอย่างรวดเร็วจนหมดไปเลยอันตรายเนี่ยที่อันตรายเนี่ยนะมันถ้าหาว่าคนเราได้ ไม่ว่าใครนะคนหรือสัตว์เนี่ยถ้าถ้ามันเจอครั้งแรกเนี่ยมันก็ตกเป็นเหยื่อของภัยนั้นได้ง่ายมาก้ะคนเราก็เหมือนกันเนะชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคถ้าเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะพอเราเจอปุ๊บนี่โอกาสตายก็มีนะอย่างเช่นเชื้อหวัดเนี่ยนะ คนแถบอเมริกาใต้เนี่ยอเมริกาเหนือมนไม่รู้จักหวัดนะพอคนลัมบัสเข้าไปเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีคนยุโรปติดเรือไปเยอะแยะเป็นส10ิบเป็นร้อยตอนหลังก็มีคลื่นของคนจากยุโรปนี่อพยพเข้าไปอยู่อเมริกาใต้อเมริกาเหนือ เอาเชื้อวัตไปด้วยคนที่นั่นคนที่อเมริกาตายมีล้มตายเป็นเบื่อเลยเพราะไม่เคยเจอหวัดทัด้งที่หวัตสําหรับคนยุโรปแล้วมันก็เป็นแค่โรคเล็กน้อยนะมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัดได้โดยที่ไม่ถึงตายก็แค่เจ็บป่วยเล็กน้อยดัง น, นั้นในยุโรปในเอเชียนะแต่ว่า ในทวิปใหม่ที่อเมริกาวั น, นี้ไม่เคยเจอในทางตรงข้างเนี่ยคนในที่อเมริกามีเชื้อชิดหนึ่งชื่อว่าซิฟิลิสหนองในคนที่นั่นก็ไม่ค่อยอยู่กับห น, นองในได้ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่คนยุโรปนี่ติดนหนองในไปก็เพราะว่าเอาไปแพร่ที่ยุโกปตายกันเยอะเลย ตายเพราะโรคหนองในเรียกว่าแรกกันคนยุโรปเอาวัดไปให้คนอเมริกาคนอเมริกาเอาหนองในไปให้แต่ว่าหนองในนี่มันติดกันยากกว่าให้หวัดนะหวัดนี่มันแพร่ทางอากาศนะแต่หนองในมันต้องผ่านทางเพศสัมพันธ์ก็เลยไม่ถึงกับล้มตายเป็นเบือ แต่ก็คนก็กลัวขยะกันมากเชือเอชไอวีเหมือนกันนะมันอยู่กับลิงมานานแล้วเชื้อเอชนะมันอยู่กับลิงมานานแล้วสาหรับลิงเนี่ยเอชไอวีกับมันกวัดนะมันก็แค่รบกวนเล็กๆนน้อ ย, อยแต่พอคนเจอชื้อเอชไอวีครั้งแรกเก็เมื่ออากสีก่สิบห้าสิบปีเพิ่งเจอครั้งแรก พอไปกินไปกินลิงหรือไม่ก็อาจจะไปถูกลิงมันไปสัมผัสกับลิงสัมผัสก็แพ้มันก็ตายตวนนี้ก็ยังตายกันอยู่นะเพราะคนเราไม่มีภูมิคุ้มกันให้เชื้อชวัวีแต่ดีที่เดี๋ยวนี้ก็มียาคอยต้านเชือ้อเชื้ชัวีสําหรับลิงนี่สบายมากเพราะว่าอยู่กับเชื้อนี่มา อาจจะเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วแต่ว่าค น, คนเรานี่เพิ่งเจอเมื่อสองชั่วอายุคนเองมันไม่มีพึ่งพุ่งกันก็ตายง่ายอันตรายอะไรที่คนเราเพิ่งเจอเจอเป็นครั้งแรกนี่มันนักจะเสียท่านะมันไม่ใช่ไม่เพราะอันตรายที่เห็นชัดชัดบางอย่างดูเหมือนว่า ดีนะแต่มันก็มีอันตรายแฝงอ ย, อยู่อย่างเช่นเงินเนี่ยคนจนๆหรือว่าชาวบ้านที่แต่ก่อนอยู่กันโดยที่ไม่มีเงินก็อ ย, อยู่กันได้สุขสบายพอเงินเริ่มเข้ามาเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนต้องใช้เงิน คนก็รู้สึกว่าเออมันสะดวกสบายแต่ปรากฏว่าคนที่เพิ่งเจอเงินครั้งแรกเนี่ยเี่ยโดยว่าจะเป็นเงินเยอะๆนี่ ก, ก็เสร็จนะอย่างที่เรายดินคําว่กสามล้อถูกหวยสามล้อถูกหวยหรือคนจนขายที่ได้มิไม่เคยเจอเงินก้อนใหญ่นะพอเจอเงินก้อนใหญ่เข้าไปส่วนใหญ่ก็เสียท่านะ่คือใช้เงินเงิน ยุ่งดช่วยแชร์เสร็จแล้วก็กลายเป็นคนยากจนยากไร้ยิ่งกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวบางทีก็ใช้เงินไปในทางที่ทำให้เสียผู้เสียคนกลายเป็นคนติดเหล้าเมาเมาเมาไประเทศที่คนก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอเงินนะ อยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยกันหรือว่าอยู่ด้วยการาแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าพึ่งตัวเองเนี่ยพวกนี้พอเจอเจอเงินที่แพรเข้ามาทางทุนนิยมเนี่ยหรือว่าระบบตลาดก็เสียผู้เสียคนกันไปเยอะนะอย่างประเทศเราเนี่ยหรือว่าอย่างคนอีสานเนี่ยหรือคนชนบทเนี่ย ก็มีตัวอย่างแบบนี้เยอะนะคือพอเงินเข้ามาก็ก็กลายเป็นว่าหลงติดในเงินในวัตถุง่ายมากนะแล้วก็ใช้เงินไม่เป็นเนะี่ยตัวเองกระทั่งติดอบไรมุกติดการพ น, นันนะหรือบางทีก็กลายเป็นพวกวัตถุนิยมไปเลยนะตรงข้างกับประเทศที่เขาเจอเจอเงินมาเยอะเจอเงินมานาน อย่างพวกยุโรปอย่างพวกคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคนนี้เขาอยู่กับเงินมานานเขาก็รู้ว่าจะใช้เงินยังไงถึงจะไม่เกิดโทษมีการเก็บพร้อมรอมริบนะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีการเอาเงินไปใช้ลงทุนเพื่อวงเพื่อผลระยะยาวอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ เ, เพสบ้างเงินมากของเรานี่ มีอะไรขายหมดนะเพราะว่าอยากได้เงินมากขายทุกอย่างขายทีนะ่หรือว่าขายตัวขายสารพัดเพราะว่าติดในเงินโรงเรียนที่อยู่ติดถนนก็ขายเพื่อเจ้าที่ไปสร้างศูนย์การค้าสวนสาธารณะสาขาต่างก็ไม่มีไม่เหลือ ถ้าวัดขายได้ก็ก็จะขายนะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยก็เป็นพระในมาเทสมาคมนั่นก็เคยมีความคิดที่จะให้มีการขายที่ในวัดให้ขายที่ของวัดแถวเนี่ยแถวย่านสำเพ็งเยวาวราถ้าขายได้ก็ดีนะเอาเงินไปไปสร้างวัดแถวชานเมืองสงบดี ขายไปไหนขายไปทำอะไรไปทางศูนการค้าเนี่ยเองในกรุงเทพเนี่ยนะเรียกว่าขนเนี่ยวัตถุนิยมมากนะจริงไปเป็นทุกที่นะเชียงใหม่ขอนแก่นที่ที่มีว่างเหลือเท่าไหร่ก็ขายหมดไม่เหลือที่เป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวถ้าเทียบกับประเทศอย่างจีนไออย่าง ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเนี่ยพื้นที่กลางเมืองเนี่ยโอ้โหมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากป่าอยู่กลางเมืองเป็นเป็นหมื่นหรือเป็นแสนไร่ทั้งทีเราบอกเขาเป็นประเทศวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี่แต่เขามีเขามีที่ทางให้คนได้อยู่ได้หายใจเยอะแยะ อันนี้เหมือนตอนนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือคือคนจีนนะคนจีนเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ได้เจอเงินมามานานนะอยู่กับความยากจนตลอดเพิ่มมาสามสิบปีนี้ที่เงินมันหลายสะพัดพวกคนจีนนี่โดนเงินโดนเงินมันเล่นงานซะหมอบเลยถึงแม้ว่าจะรวยแต่ว่ามันก็เป็นพวกวัตถุนิยมมากไปที่ไหนก็กวาดซื้อของเยอะๆหมดของแบรนด์เ네นม จนกระทั่งคนเขากลาไปไหนก็ส่งเสียงดังเพราะว่ามันไม่เคยใช้เงินพอใช้เงินแล้วก็เหมือนกันเป็นพวกเศรษทีใหม่ที่ไหนที่ทำเงินได้ก็ทำแม่น้ำนี่ก็เน่าเสียอากาศก็เป็นพิษเพราะว่าโลภมากนะก็ดวงเงาสาสตรมก็เป็นใหญ่ โบราณสถานก็ถูกทุบทิ้งเพื่อมาสร้างเป็นโรงแรมศูนย์การค้า <c oughs> น้ำน้ำก็เน่าอากาศก็เสีย <c oughs> อันนี้เป็นพราะผลของเงินนเงินนี่มันมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อันตรายที่คนไม่ค่อยมองเห็นแต่ว่าเงินนี่มันมีเป็นพาหาขเชื้อโลกก็ได้เชื้อโลกวัตถุนิยม ถึงเท่าหากว่าไม่ไม่เคยเจอหรือเพิ่งเจอครั้งแล้วก็เสร็จทุกทุกทกทุกลายตอนนี้คนในประเทศที่เริ่ ม, มจะเริ่มจะรวยเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากเรื่องเรื่องศีลธรรมอินเดียนี่ขมขืนเรื่องขโมยเรื่องอาชญากรรมเยอะสังเกตได้ประเทศที่เพิ่งเพิ่งรวยเนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมปัญหาลักขโมยคอร์รัปชันมาปัญหาสิ่งแวดล้อมพวกนี้เป็นผลจากวัตถุนิยม เงินนิยมซึ่งประเทศที่ ร, รวยๆที่เจอเงินมานานเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้เท่าไหร่เพราะเขาเขาได้พัฒนาวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะรับมือกับเงินไม่ให้เงินมันมีอำนาจมากทั้งหมดที่พูดมานี้เรื่องเดียวกันเลยนะก็<ม><ม>คือว่าการที่คนเรานี่ถ้ า, าว่าไม่เคยเจอ อันตรายทั้งอันตรายที่ชัดเจนหรืออันตรายที่แฝงเลนเนี่ยมันก็ก็จะเสียท่าได้ง่ายแต่ถ้าคนเราได้เจอได้มีประสบการณ์กันมานานๆเราก็จะเกิดการเรียนรู้สัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ก็เรียนรู้ได้เรียนรู้จนที่เอาตัวรอดได้จากอันตรายคนก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วถ้าถ้ามีเวลานานพอ คือถ้าไม่ตายก่อนมันก็จะเรียนรูแ้แต่ที่ไม่เรียนรู้ก็เพราะว่าตายก่อนนะหรือไม่ก็หมดสภาพไป้วก่อนแล้วก็ตานี่ยมันก็มีบางอย่างที่คนเราเรียนรู้ได้น้อยนะแล้วก็โดดเล่นงานอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นภัยที่ที่ลึกซึ้งละเอียดต อ, อนกว่ามันไม่ใช่ภัยภายนอกเป็นภัยภายใ น, เ, น, ยยนเช่นอารมณ์เนี่ย คนเราเนี่ยถ้าจริงๆโดยโดยธรรมชาติเนี่ยนยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าความโลภพวกนี้ยซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อจิตใจมนุษย์นะอย่างมันน้อทําให้เกิดความทุกข์หรืออย่างหนักก็ทําให้คนเราไปทไําร้ายกันผิดศีลผิดธรรมคนเรานี่ถ้าถ้าไม่เจอไม่เคยเจอมันเลยนะมันก็ เสียท่ากับให้กับอารมณ์นี้ได้ง่ายแต่ถึงแม้เจอแล้วเจอเล่านะก็ยังเสียท่าอยู่นะคนที่ขี้โกรธเนี่ยบางทีมันโกรธมาตั้งแต่เล็กนะตนแก่แล้วก็ยังโกรธอยู่ก็ยังยังทุกข์ยังกู้หมกยังยังเป็นทุกข์นะกับเพราะความโกรธอยู่ทําไมคนเราไม่ค่อยเรียนรู้นะว่าเ อ, อความกลัวมันเป็นโทษนะถ้า เสียท่ามันครั้งสองครั้งหรือสองสาครั้งแ้วนี้ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเจอมันแล้วเจอมันเล่าเจอมันแล้วเจอมันเล่าเจอมาตลอดชีวิตสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีทำไมคนเราถึงไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับมันโดยที่ไม่เป็นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นคำถามนะที่น่าคิดนะ กับชโชโรคเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าอยู่ไปนานๆนี่ถ้าไม่ตายก่อนนะเราก็จะมีภูมิกันอย่างเช่นพวกโรคฝีดานไข้โรคทารพิษพวกนี้คนที่ไม่ตายเพราะโรคนี้นจะอยู่จะอยู่กับมันได้มันทำอะไรไม่ได้ต่อไปเพราะมีภูมิคุ้มกันต่อไปก็ไม่เป็นละแต่กับอารมณ์สัตย์ปุศลเนี่ยนะความโลภความโกรธความเศร้าวความเกลียด ทำไมคนเราเนี่ยเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจ อ, อ ก, ก็ยังเสร็จมันอยู่นั่นแหละอะไรทําให้มนุษย์เราไม่ไม่เรียนรูนะ้ที่จะรับมือกับมันนะอย่างฉลาดคือเพราะจิตใจคนเรานี่มันแย่กว่ามันโง่กว่าร่างกายร่างกายนี่มันเรียนรู้ได้ไวเจอวัดสักครั้งเดียวนี่มันจําได้นะแล้วแล้วมันจะไม่เป็นหวัดเติมอีก ในครั้งที่สองแต่วัดที่เราเจอที่เราเป็นแล้วเป็นอีกเ ป, ป็นแล้วเป็นอีกเพราะมันเป็นวัดวัดคนละตัววัดนี่มันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆรื่เรื่องมันกลายพันธุ์มันก็เปลี่ยนรูปมปเรื่อยๆวัดที่เราเป็นปีที่แล้วกับวัดที่เราเป็นปีนี้คนละตัวเราไม่เคยเป็นวัดซ้ำซ้ำสองเลยนะถ้าเป็นวัดตัวเดียวกันเพราะรังการปรับตัวเรียนรู้ได้เร็วมาก เจอเครื่งเดียวมันจําได้มันเขดลาบแล้วแต่ทําไมคนเรานี่เวลาเจออารมณ์นะซึ่งก็เป็นโรคเหมือนกันนะอารมณ์พวกอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดพวกนี้มันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคทางใจแต่ทําไมเจอแล้วเจอยิ่เจอแล้วเจยก็ยังก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละก็ยังเกลียดอยู่นั่นแหละก็ยังโลภอยู่นั่นแหละก็ยังเศร้าอยู่นั่นแหละยังเครียดอยู่นั่นแหละยังหงุดหงิดอยู่นั่นแหละ มันก็จิตคนเรานี่มันโง่นะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนรู้แต่จะพูดงั้นก็ไม่ได้ทีเดียวนะเพราะว่าสำหรับคนบางคนนะไอการที่เจอมันครั้งแล้วครั้งแลวครั้งแล้วครั้งแล ว, แลวเนี่ยทำให้เขาฉลาดทำให้รู้ทันมันได้ไวนะรู้ทันจนกทั่งมันความกลัวมันทำห้ไ้ไม่ได้นะ คนเราก็มีความสามารถจะทำอย่างนี้ได้นะเจออะไรมากระทบโกรธปุ๊บนะแทนที่จะเป็นผู้โกรธก็เออเห็นความโกรธซะอันนี้คือวิธีที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับอารมณ์อกุศลได้มันยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันยังเข้ามาในใจอยู่เรื่อยๆนะไออารมณ์พวกนี้แต่ว่าเราก็มีความสามารถในการที่จะ รักษาใจไม่ให้พวกนี้มันเล่นงานได้ก็เหมือนกษัตริ์ น, นนะที่มันพัฒนาความสามารถจงกระทั่งคนจะเข้าไปเล่นงานมันหรือแม้แต่เข้าไปใกล้ๆมันก็ไม่ยอมคนเราก็มีความสามารถนะจิตของคนเราเจอทุกเจออารมณ์พวนี้เล่นงานจนกระทั่งรู้ว่าเออเราจะจิตจะรับมือกันเป็นยังไงก็คือการมีสติ นี่เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะรับมือกับไอ้ภัยทางจิตจะไม่ยอมให้มันมาเล่นงานย่ำหยีง่า ย, ายแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังนะก็ยังโง่ ง, งมอยู่ความโกรยเกิดขึ้นทีไรเสร็จมันทุกทีความเกลียเกิดขึ้นทีไรเสร็จมันทุกทีความเศร้าเกิดขึ้นทีไรเสร็จมันทุกที จริงเราต้องถามตัวเองวนะ่าทำไมเราเราถึงโดนมันเล่งงานทุกครั้งทําไมต้องเสร็จมันทุกทีทําไมเราไม่พัฒนาทําไมเราไม่เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันสัตว์นี่มันยังมันยังทำได้แต่ทําไมเราจะทําไม่ได้เฉยหรือจิตเรามีความสามารถที่จะทํางั้นได้อยู่แล้วธรรมชาติก็ให้มา สตินี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหมือนตาหน่ายนี่ที่ทำให้เราไวนะต่ออารมณ์เหล่านี้ัตแต่กรมันก็ไม่ไวนะมันก็ไม่ไวมันก็เจอศัตรูมาเล่นงานมันมันก็พ่ายแพ้แต่ต่อไปมันก็พัฒนาพัฒนาโดยทั้งมันไวมากไม่ต้องดูห่นไกลเนี่ยมาแรงวันหรือว่ายุงเนี่ยนะ ใครเคยจับมันได้บ้างอย่าว่าจับเลยแค่แต้มนะมันไวมากเลยนะมันไวแค่ขยับนี่มันก็บินหนีแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นโดยตัโนมันนะมันพัฒนามันเรียนรู้เพียงตว่ามันใช้เวลาในการเรียนรู้คนเราก็เหมือนกันนะทำไมเราไม่ไวต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้น สุนได้นะฝึกให้ใจนี่ไวต่ออารมณ์พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันโกรธเลยเนี่ยแค่แค่ไม่พอใจก็รู้ทันแล้วนะไม่ใช่ปล่อยให้มันลุกลามเป็นความโกรธเป็นความพยาบาทฝึกใจเราได้นะฝึกใจใเราไวนะไวต่ออารมณ์นะไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นะหรือว่าอารมณ์ที่ฝ่ายลบนะอารมณ์ฝ่ายบวกก็ไวก็ต้องไวนะ ความดีใจความปราดปลืม้มนะแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากอารมณ์ที่มันเป็นลบก่อนเพราะว่ามันคือปัญหาที่เราเห็นชัดรู้สึกได้ชัดเจนไวต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะถ้าหากว่าจิตใจเรายังเหมือนกับมืดบอดนะหรือว่าหยากต่ออารมณ์นั้นมันก็เสร็จอารมณ์พวกนี้โดยไม่เล่น ง, งานอยู่เรื่อยไป จนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้มันคือภายที่ภัยเงียบนะเป็นไัยเงียบที่ค่อยคืบคลานเข้ามาเล่นงานเราทีละนิดทีละหน่อยแต่เล่นงานทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งแย่ yeah. จริงคนเราเมื่ออายุมากนะมันน่าจะฉลาดนะั้นต่ออารมณ์เ่านี้ แต่เดี๋ยวนี้ก็เจอเยอะนะคนประเภทยิ่งอายุมากยิ่งยิ่งหัวเสียยิ่งยิ่งโกรธยิ่งยิ่งกุ้มอกกุ้มใจมากโดยเฉพาะความโกรดนี้เดี๋ยวนี้เห็นเยอะโดยธรรมชาติเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งก็ยิ่งใจเย็นนะแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งแก่ยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งโกรธยิ่งกลายเกลี้ยวสำหับคนเรานี่มันไม่ได้พัฒนาเลยนะ ละส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มีการศึกษาด้วย น, ะนชาวบ้านนี่ยิ่งแก่นี่ยิ่งยิ่งยิ่งใจเย็นแต่คนมีการศึกษาคนในเมืองนี่ยิ่งแก่ยิ่งโกรธยิ่งกล้าวร้าวอันนี้เป็นเป็ น, ปนไม่ใช่เป็นความรู้ส่วนตัวจะเป็นสิ่งที่คนหลายหลายคนเขาก็สะท้อนมามีคนที่สะท้อนคือคนที่เป็นลูกนั่นแหละแล้วทำพ่อแม่มน ทำไมนี่ก้าวร้าวโกรธมากขึ้นไอการเรียนรู้ทางโลกนี่ไม่ได้ทำให้คนเราฉลาดขึ้นเลยนะในทางจิตนะกับกับโง่กัเดิมนะนะเพียแค่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันโดยธรรมชาติคนเราไม่าแต่คนเลยสัตว์เนี่ยเจอไปบ่อยเจอบ่อยมัน ก, มนก็มันก็รู้ทันแล้วมันก็ระแวดระวังมันก็จะไว แต่คนเรานี่ยิ่งอายุมากเนี่ยก็กลับก็กลับกลับมืดบอดหรือว่ากลับเฉื่อยชานะไม่รู้ทันอารมณ์นั้นกลับโง่ป่อให้รมท่านเล่นงานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นที่จริงสติเนี่ยนะมันอย่างที่บอกแล้วคือตาในเนี่ยมันทำให้ไวต่ออารมณ์ แล้วการที่สติพัฒนาได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เจอกับอารมณ์บ่อยๆเมื่ออารมณ์พุ่งว่านี้ท่านเราพูดภาษาธรรมคือนิวรนนั่นแหละนิวรนก็ครอบคุมอารมณ์หลายชนิดให้การที่คนเราเจอนิวรนบ่อยๆ เ, เวลานักปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องเจอนิวรนให้การที่เจอบ่อยๆเนี่ยข้อดีมันก็มีนะก็คือทําให้ทําให้เราไวมากขึ้นทำให้ สติเราไวจิตเราไวต่ออารมณ์เรานั้นเหมือนกับสัตว์ที่มันเจอคนบ่อยๆเจอคนบ่อยๆมันก็จะรู้รู้ทางรู้ทางรู้นิสัยของคนนะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วนะสักคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะเจออารมณ์มบ่อยๆเจออาร ม, มบ่อยๆเนี่ยเจอนิวน่วันบ่อยๆเจอบ่อยๆ ก็จะไวนะไวตอนนิวรนเหล่านั้นก็ทำให้นิวรนนี้เข้ามาเล่นงานเข้าไม่ได้นันสดงนกปฏิบัติเนี่ยซึ่งรู้วิธีเนี่ยการที่เจออารมณ์บ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของของเลวร้ายเสมอไปมันปเป็นของดีได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นทำให้รู้ทางรู้ทางแล้วก็รู้ทันนั่นเราเคยสังเกตนะ นิวรณ์นะเชิงความงวัวเรานอนความหงุดหงิดหรือเรียว่ปฏิคกะพยาบาทเราเรารู้เรารู้ทางมันบ้างเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่านะแล้วเรารู้จักนิสัยหรือธรรมชาติของมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเรารู้ทันถ้าเรานิรู้นิสัยมันนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้ทางมันการที่เราจะรู้ทัน มาให้มันมาครอม ง, งําย่ายีจิตใจเราก็จะ ง, ง่ายขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะอันนี้อาจจะลงนปฏิบัติ ด, ด้วยนะก็ไม่เลยรู้เลยอันนี้วอรนเกิดขึ้นใลายก็เสร็จมันทุกทีนี่วอรนเกิดขึ้นแล้วก็เสร็จมันทุกทีแล้วก็ไปห ง, งุดหงิดโสเสือกับสิ่งแวดล้อมหาว่าเขาพูดเสียงดังหาว่าอากาศไม่ดีโทษไปเรื่อย เราไม่ได้กลับมาดูเลยว่าทำไมเราไม่เรียนรู้มันเกิดขึ้นเวนลาเป็นร้อยครั้งทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะรู้ทางและรู้ทันมันทาไมใจเราไม่ไหวทั้งที่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้แต่เราก็ปล่อยให้มันเล่นงานทุกที ให้เราตั้งหลักให้ดีว่าเนี่ยพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้ให้เราเรียนรู้ให้เรารู้ทันให้เราฝึกเห็นไม่ได้ไม่ได้เป็นนั้นถ้าเราไม่ไม่มองมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราฝึกเห็นเราก็จะงุดหงิดลำคาเราก็จะโวยวายเราก็จะไม่ชอบเราก็จะผักใสและเราก็จะไม่เรียนรู้เลยการผักใสไม่ทำให้เราเรียนรู้อะไรเลย แต่การที่เราสังเกตเฝ้ามองมันแล้วก็ทบทวนใคร่ครวนก็ทำให้เราเรียนรู้ได้สัตว์นี่มันก็เรียนรู้จากการที่เห็นคนบ่อยๆก็บ่อยๆก็สังเกตมันก็รู้ว่าคนมีนิสัยยังไงแต่ก่อนสมัยที่คนไม่มีปืนมีแค่มีแค่ไม้ มีแค่กระบองมันก็แค่วางระยะไม่ให้เกินห้าเมตรเนี่ยแต่พอคนมีมีห อ, อกมีธนูห้าเมตรมันก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้แล้วต้องห่างไปก็ยี่สิบเมตรหรือว่าไกลกว่า น, นั้นพอคนมีปืนเข้วันนี้มันไม่ยอมให้เข้าใกล้แค่เห็นมันก็เผ็แล้วมันเรียนรู้นะแต่คนเรานี่ ไม่เรียนรู้เลยนะกับไอ้พวกนิวรเหล่านี้นี่หมายถึงคนส่วนใหญ่นะทั้งที่มั น, นี้อย่างธรรมมาแล้วเนี่ยมันมาเพื่อเราเรียนรู้ให้เรารู้ทางแล้วก็รู้ทันมันนั่นทำเราหนกปฏิบัตินี้ก็ต้องพยายามนะต้องพยายามฝึกว่านี้่ไอการที่มันเกิดขึ้นมอบ่อยมามาเยี่ยมมายาณบ่อยๆนี่มันเป็นของดีที่ฝึกให้เราฉลาด เกิดค่เราไวจนกระทั่งเกิดปัญญา เ, เห็นธรรมชาติแท้จริงของมันว่ามันนี่ไม่มีไม่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนเลยรเลยที่ยึดว่าเป็นเราของเราได้อันนั้นแหละที่ทำให้เราฉลาดเอาละพูดกันเท่านี้ตอนนี้